ไปแล้วอีกสองานาทีก็เป็นเวลา6มโมงครึ่งเอาหนังสือวางไว้ข้างๆก่อนดันไหนดันซ้ายหรือขวาก็ไนดะ้เอาวางไว้ปิดเอาไว้ก่อนก็มีหลากหลายไวัยเด็กก็มีเล็กๆเลย8ดขวบ จนถึง1 4บ5แก่สุดก็มี80ขึ้นมีพุทธบิษัุก็ครบถือว่าครบทีเดียวภิกษุภิกษุณีแม่ชีนี่แทนภิกษุณีไปเลยให้ค่าแบบนั้นน่ะผู้หญิงเมืองไทยบวดต่างประเทศก็มีเหมือนกันแต่ว่า ก็เป็นผู้หญิงนักบวชที่เมืองไทยก็ไม่ก่อยได้มันก็ยอมรับกันเท่าไรถ้าจะ ย, ยอมรับก็แม่ชีเนี่ยละถ้าจะเป็นตามประเทศก็ตามประเทศแล้วก็ยอมรับกันก็แทนพิซซูนีแม่ชีอุบาสกบาจิกาสิ่งที่เราทำลมกันมาสักคู่เวื่อการสรายร ย, ายม์มณ์ บาลีแปลเป็นไทยแปลโดยท่านอาจารย์พุทธะด์เพื่อเราได้รู้ในความหมายไม่ได้สวดเอาความศักดิ์สิทธิ์ลิธิปฏิหารเป็นมงคลแต่ว่าสวดเพื่อมาเกิดปัญญาให้รู้ความหมายว่าจรงใด องสมเด็จสามารถเจ้าได้ชี้นำบอกผ่านพุทธสาวกต่างๆรุ่นแล้วรุ่นเล่าจนบนรรพบรุษพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้เห็นประโยชน์แล้วได้รักษาแล้วให้แผ่ต่อจนเป็นบทสวดที่เราสวดผ่านไปสักครู่น้อมามาปฏิบัติเตรียมกันที่สุด เราจะเป็นเรื่องของศรัทธาหรือว่ากำลังใจที่เราจะต้องสร้างเพื่อที่ตัวเองจะได้พึ่งตัวเองไม่ใช่พึ่งต้นไม้ใบหญ้าศาสตาลาสิ่งต่างๆมันจะต้องพึ่งสติพึ่งปัญญา ภายในช wow ีว um ิตของเรากายใจของเราตัวชีวิตมีสติมนมีปัญญามองอะไรมองทะลุนะด้วยปัญญามันก็ไม่ไรเป็นปัญหาอะไรมันก็ผ่านต้องหมดนั่นแหละถ้าไม่ได้มองด้วยปัญญามันก็จะติดติดขัดขาดมากมายเหลือเกินปัญญานี้หมายถึงว่าปัญญาที่เกิดจากสติที่มันเจริญเติบโตเป็นสติปัฏฐานนะ มันไม่ใช่สติสัญญาทยานมันไม่ใช่ปัญญาแบบโลกโลกตัวตัวไปที่ใช้หาเงินหาทองการกินเกียรติว่าตัวนิยมอำนาจ น, นิยมบริโภคนิยมต่างๆแต่ว่ามันเป็นปัญญาที่พาผ่านมนตตาสงสารเนืเกิดเนื้อแก่เนืเจ็บนื้ตายเนืทุกข์ปนนนะรับพูดอย่างนี้ให้ฟังไว้ก่อน ความตั้งใจวันนี้เห็นว่ามีผู้ใหม่หรือว่ามาจากโรงพยาบาลคอนสวรรค์เป็นโครงการที่จะต้องร0อยเซนผ่านการอบรมรเรรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วก็จะเหลืออีกประมาณ 6-7 คนที่มาไม่ได้จริงก็ต้องมาคอดหน้าเจวันอยานี้เพราะในฐานะที่เรามาวันแรก บางทีก็ต้องปรับเนื้อปรับตัวนะเวลา น, น้อยก็ต้องเรียกว่าชัดเจนนะมีความชัดเจนเลยนะมาที่นี่วัดป่าสุกโตเนะีนะ่ยมีการชี้นำสรางกระแสในะ เ, รเรื่องการจริสติแนวเคลื่อนไหวนะก็จับประเด็นตรงนี้เลย <c oughs> การเจรตินาเพื่อเคลื่อนไหวนั่นคืออะไร <N> ทำไมต้องฝึกต้องหัดเ <N> พราะบางค น, นมาเพราะว่าอำนาจของผู้บัคััญชาโครงการต้องร0อเนั่นแห ล, ละมันคืออำนาจถึงเราจะไม่มีศรัทธาเต็มร้อยหรือว่าอาจจะรอโอกาสบันนี้ไม่พร้อมแต่ต้องมาเพราะอำนาจบางทีก็อาจจะยัง ต้องสร้างกำลังใจสร้างศรัทธาหรือว่าชีต้ตรงๆลงไปเพราะฉะนั้นในในที่ประชุมที่นี้โดยความเห็นอาตอมาก็มองเห็นว่ามีคนที่มีวัยวุฒิคุณวุฒิผ่านประสบการณ์คล้ายๆกับพวกเราแต่ว่าท่านเพิ่งบวชใหม่ในเครื่องแบบท่านเพิ่งบวชใหม่อาจารย์สมใจ แต่ว่าโดยตัวปฏิบัติวปวิบัติมานานละมันมีอยู่ในชีวิตมานานละครั้งนี้เป็นการบวชครั้งที่2ครั้งแรกนั้นบวชเมื่อตอนประมาณปีสองห้าสองหกะไรนั่นแนหะครั้งนี้เป็นครั้งที่2บวชได้ไม่นา น, นนะเคยผ่านประสบการณ์ที่ปฏิบัติทำหลายวิธีแล้วก็ เคยปวดกระหลกปูเทียนที่สำคัญแล้วก็เคยทำงานทำการเอาความรู้สึกตัวเอาสติเอาสมาธปัญญาเอาความเป็นปกติรู้สีลไปใช้เป็นส่วนประกอบกับการทำงานทำหน้าที่เพราะนั้นลองฟังให้ท่านเด็สดสแงออกเพื่อกอบประโยชน์ สร้างขวัญกำลังใจผมและอาตมาเคยเป็นลูกศิษย์ท่านนะตอนสมัยเรียนหนังสือท่านเป็นอาจารย์นำมาเป็นลูกศิษย์เคยอย่างนั้นแต่ไว้ใกล้ๆกันท่านเรียนบมืจบเราก็ไปสอนอาตมารเรียนใหม่ๆใกล้ๆกันพอดีกันแต่ว่า น, นิสสงของท่านข้างน้นอามาจำไม่ลืมก็คือเรื่อ ง, องนี้การ สร้างคุณธรรมจใจ้รรมหรือว่าสิ่งที่ตัวเองปฏิบัตินะเอาไปเผยแผ่ให้กับเด็กๆนักเรียนนักศึกษาเวลามีปัญหามันมีทางออกปฏิบัติธรรมเจริญสตินำเคลื่อนไหวนะ้แล้ว่าครูบาอาจารย์ต่างๆ mm hmm. จอตั้งเห็นว่าทําทำงานพอสมควรแล Early. Mm ้วเออร์ล้ลาออก mm hmm. เพราะว่าปีนี้ข่าวว่าเป็นปีสุดท้ายของการอร ฟังดูแล้วมันก็เออชีวิตของคนมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะหาเงินหาทองทํางานทําการชีวิตมั่นปลายวัยวันประลัดสัญญาสีน ว, วัยไกลเกษียณแล้วแต่ว่ายังไม่ชะลาภาพมากนะักแล้วก็ชะลาภาพมันก็มีอย่างเดียวคือต้องเตรียมตัวตายยังไม่ต้องเสียวสันหลังเรื่องหวาดภาวามันมันอาจหารได้ มันก็กลาวในวันจันทร์นุมใจครับได้ได้สนทนากับผู้รวมกับถทำวัดส่วนบนเย็ น, นหรือว่าแสดงธรรมตามสมควรแก่ธรรมสมควรแก่เวลาต่อไปกลบ่บในวันครับ ขอกราบบูชาพระรัตนตรัยขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์โดยเฉพาะหลวงปู่เทียนหลวงพ่อคำเขียนอาจารย์ทุกรูปพระเถรานุเถระที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้และก็ขอเจริญพรแม่ข่าแม่ชีและก็ ญาติโยมทุกคนออในวันนี้ที่ท่านอาจารย์ดวงสินให้โอกาสอาตมาหรือกับผมได้มาพูดคุยกับพวกเราก็อยากจะเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้เรื่องของธรรมะออนั่งตามสบายไม่ต้องประนมือนะให้นั่งตามสบาย ที่เรามาร่วมกันที่วัดป่าสุกโตแห่งนี้เนี่ยถือเป็นโอกาสดีที่เราได้มาร่วมกัน เ, เรียนรู้เรื่องที่โรงเรียนไม่ได้สอนมหาวิทยาลัยที่กระผมเรีอกตมาได้ผ่านมาก็ไม่มีเรียนตั้งแต่ประถมมัธยม จนถึงอุดมศึกษาก็ไม่มีเพราะสิ่งที่เราเรียนส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตในสังคมการคบหาเพื่อนฝูงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างไรให้เป็นปกติสุขและเมื่อเรียนระดับสูงขึ้นในระดับมหาวิทยาลัยก็เรียนรู้เรื่องของ จะไปทามา ก, กินอย่างไรจะไปหาเงินหาทองอย่างไรจะทำอย่างไรให้เรามีวัตถุพรั่งพร้อมจะทำอย่างไรให้เรามีความสะดวกสบายซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่ว่าเรื่องที่ไม่ดีเป็นเรื่องของการเตรียมตัวให้เราพร้อมในการที่เราจะอยู่กับสังคมในการที่เราจะเลี้ยงดูตัวเราเองคนครอบครัวให้มีวัตถุ พังพร้อมแต่สิ่งที่ไม่มีในในการศึกษาในโลกปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของจิตใจเรามีวัตถุพังพร้อมแต่บางทีเราก็มีความรู้สึกไม่อิ่มไม่อิ่มไม่เต็มในใจเรารู้สึกพร่องเรารู้สึกขาดแคลนเรารู้สึกบางทีก็มีความว้าวเวยบางทีก็มีความเบื่อความเซ็ง สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ไปสแสวงหากันโดยจากสภาพแวดล้อมภายนอกจากวัตถุต่างๆจากที่เขามาเสนอขายไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงไม่ว่าจะเป็นการละเล่นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ตอบสนองให้เรามีความรู้สึกสนุกสนานได้ช่วครั้งชุกคราวเมื่อตอบสนองได้แล้ว ก็หายไปเราก็ต้องวิ่งหาใหม่อยู่อีกเราต้องเสียเงินเสียทองไปกับเรื่องพวกนี้มากมายสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรารู้จักจิตใจเราเรารู้จักความสุขที่มีอยู่ภายในใจเราเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเหนื่อยเราไม่ต้องไปวิ่งหาเะนั้นสิ่งที่อาตมาหรือกระผมได้เรียนรู้ จากการไปศึกษาในออในวัดในสํานักปฏิบัติต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ครั้งที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตัดสรู้เมื่อประมาณ 2,600 ปีที่แล้วซึ่งระยะเวลาที่ยาวนานเนี่ยบางทีก็การสื่อสารมาถึงยุคปัจจุบันนั้นอาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้าง หรือบางทีอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของภาษาในเรื่องของรูปแบบพิธีการต่างๆนะโดยเฉพาะในในประเทศไทยเราก็จะไปเน้นตรงเรื่องของพิธีกรรมไปเน้นเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของศัยศาสตร์แต่โชคดีของเราในยุคปัจจุบันที่มีผู้รู้ทั้งเป็นพระนะที่เป็นปัญญา เป็นปัญญาชนแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆนะโดยเฉพาะอย่างาที่กับผมเรียต่ ม, มาได้รับประโยชน์มากก็คือท่านอาจารย์พุทธทาสนะสมัยที่เริ่มต้นได้เรียนรู้หรือศึกษาเนี่ยก็โชคดีที่มีรุ่นพี่คนหนึ่งสมัยนั้นก็อยู่ชมรมพุทธศาสตร์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะก็คือพี่สุภวรรณนะซึ่งปัจจุบันก็คือสุภวรรณกรีน เป็นคนแนะนำให้รู้จักวิธีการฝึกอาณาปณสตนะิก็คือการการมีสติกับลหมหายใจตอนนั้นก็ไปฝึกกันที่ถ้ำพระโพธิสัตว์จังหวัดสระบุรีไปอยู่กันเจ็ดวันนะตอนนั้นก็ได้สัมผัสกับความอิ่ม อ, อกอิ่มใจคือปิติจากความสงบที่เราได้นั่งแล้วก็รู้สึกสงบเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอ ตั้งแต่เรียนหนังสือมาตั้งแต่ปถมจนถึงอุดมศึกษาก็ไม่เคยได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เติมเต็มให้กับชีวิตที่เป็นความสุขที่เราไม่ต้องไปวิ่งแสวงหาอะไรมันมีอยู่ในตัวเราตั้งแต่นั้นมาก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้เราสนใจในเรื่องของจิตใจแต่ก็ได้พยายามเรียนรู้จากอาจารย์หลายท่านนะครับ จากอาจารย์พุทธทาสจากพ่อท่านโพธิรักและก็ท่านเจ้าคุณประยุทธ์ก็ได้เรียนรู้ในทางทฤษฎีในเรื่องของความรู้ต่างๆซึ่งก็น่าดีใจน่าโชคดีของพวกเราที่มีปัญญาชนมีพระที่เป็นครูบาอาจารย์ที่สามารถเอาภาษาสมัยเก่าเมื่อประมาณ 2,600 ปีที่แล้วมา เป็นภาษาในยุคปัจจุบันถ้าเราไปอ่านบาลีเนี่ยเราอาจอารย์ไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าท่านหลวงพ่อพุทธทาสก็ดีท่านเจ้าคุณประยุทธ์ก็ดีได้พยายามที่จะเอาภาษาเหล่านี้มาเป็นภาษาในยุคปัจจุบันแต่ความเข้าใจในระยะแรกนั้นก็เป็นความเข้าใจในทางทฤษฎีแล้วก็มีความตื่นเต้นนะกับสิ่งความรู้ในเรื่องเหล่านี้ว่ามันมีด้วยหรือในะเรื่องของจิตใจเรื่องของชีวิต เรื่องของออสมาธิเรื่องของสติสิ่งเหล่านี้ก็ได้เรียนรู้ตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อประมาณ 2,500 ประมาณตั้งแต่ปี 2,518 อ, อการปฏิบัติจากทฤษฎีนั้นก็ได้มาเริ่มจริงๆก็หลังจากที่ได้พบกับหลวงพ่อเทียนที่วัดสนามในประมาณปี 2,520 ประมาณนั้นนะจริงๆได้เรียนรู้จากอาจารย์พุทธทาต์ก็ใช้อนาปนานสติแต่ก็สงบชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองในขณะที่เรามาใช้ชีวิตประจำวันเราก็หลงหลงลืมลืมก็ยังมีความโกรธยังมีอารมณ์ต่างๆอยู่แต่ก็พยายามเข้าหาครูบาอาจารย์ไปสอบแสวงหาอยู่เรื่อยไปมีเพื่อนมีมูชมรมพุทธศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์ชักชวนกันไปทำ นะครับตอนนั้นก็ไปกันที่ไหนมีอะไรดีๆเราก็ไปกันแต่ถ้าจะเน้นเรื่องการเอามาใช้จริงๆมาปฏิบัติจริงๆเนี่ยเมื่อได้มาพบหลวงพ่อเทียนที่วัดสนามในนะเมื่อประมาณปี25 2 0ันะช่วงนั้นก็หลวงพ่อเทียนเริ่มไปเผยแพร่ ท, ที่ที่กรุงเทพที่นนท บ, บุรีแต่ก็ยอมรับอยู่อย่างนึงว่าสมัยนั้นเราฟังหลวงพ่อเทียนไม่รู้เรื่อง เนื่องจากอาจจะเนื่องจากว่าเราไม่มีประสบการณ์และก็ภาษาที่ท่านใช้นั้นค่อนข้างจะเป็นภาษาอีสานเราฟังไม่ชัดแต่เราก็เราก็พยายามทำทำสร้างจังหวะเนี่ยนะซึ่งมันแตกต่างไปจากที่เราเคยฝึกอาณาปณสติเพราะอาณาปณสตินั้นเราจะนั่งนิ่งหลับตาแล้วก็มีความสงบแต่วิธีการหลวงพ่อเทียนบอกไม่ต้องหลับตาให้ลืมตา ลืมตาแล้วก็สร้างจังหวะนะท่านจะเน้นให้เรารู้สึกกับการเคลื่อนไหววิธีการนี้เนี่ยก็เป็นวิธีการที่แปลกนะไม่เหมือนกับที่เขาสอนกันในประเทศไทยเพราะว่าต้องยอมรับว่าในประเทศไทยทั้งหมดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องนั่งหลับตาแล้วก็ใช้คาบริกรรมยุหบหนอบังหน่อบ้างพุดโทรบ้างแล้วก็อนาปาณสติกก็ไม่ได้บริกรรมอะไร แล้วส่วนใหญ่ก็เน้นตรงหลับตาให้สงบให้ใจสงบก่อนเมื่อใจสงบแล้วก็ให้ไปพิจารณาอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดนะซึ่งก็ยอมรับว่าที่ไปฝึกครั้งแรกๆนั้นก็สงบแต่ว่าบางทีก็ไม่ทันกับอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดนะเพราะมันจะมันจะหลับมากกว่าแต่เมื่อได้มาฝึกกับหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็เริ่มรู้จักวิธีการว่าเออเราจะ รู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดได้อย่างไรแต่ก็ยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าการฝึกโดยที่ทำไม่ต่อนเนื่องเนี่ยมันก็ได้ผลไม่ไม่เต็มที่เมื่อประมาณปี2 5 2 5ได้มีโอกาสไปบวชแล้วก็ไปอยู่กับหลวงพ่อเทียนหนึ่งพันษาที่วัดโมกในช่วงที่ไปบวชเนี่ยเราได้ใช้ชีวิตนัก บ, บวชแล้วก็ ได้มีเวลาฝึกอย่างเต็มที่เต็มเวลาในช่วงประมาณกลางพรรษาเนี่ยก็จับจุดได้แล้วว่าความรู้สึกตัวเป็นอย่างไรนะคือความรู้สึกตัวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราฝึกในรูปแบบทั้งวันไม่น้อยกว่าวันละ8ชั่วโมงเดินจงกรมสร้างจังหวะใช้เวลาทุ่มเวลาไปกับเรื่องพวกนี้ ความรู้สึกตัวที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่เราไปบินทบาทวันหนึ่งในเช้าวันหนึ่งเราเดินไปความคิดเราก็คิดไปความรู้สึกตัวมันก็ตามไปมันมันมันเร็วมากกลับมาถึงที่กุฏิเอาน้ำล้างเท้าเนี่ยความรู้สึกมันตื่นตัวทั้งตัวเลยเป็นความรู้สึกตัวที่ตื่นตัวทั้งตัวซึ่งเราไม่เคยเจอพอความรู้สึกตัวมันตื่นขึ้นมาเนี่ย สิ่งที่เราไม่เคยสังเกตเช่นกบหรือว่าคางคกมันกระโดดที่พื้นหรือนกมันร้องลมลมเย็นๆพัดมาเนี่ยสัมผัสกับกายเราไม่เคยได้สังเกตแล้วเวลาฉันรสชาติของอาหารซึ่งเราเคยแต่เผ็ดซึ่งเป็นรสจัดๆเนี่ยแต่รสจืดๆก็มีมันๆหวานๆอะไรเนี่ยมันเริ่มที่จะเข้าไปไปสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ ที่มันเป็นเป็นเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราไม่เคยได้สังเกตแม้แต่ลมหายใจซี่ที่เราเคยฝึกมันก็เริ่มเริ่มที่จะสัมผัสได้ได้ชัดขึ้นอันนี้เป็นความตื่นตัวที่เกิดขึ้นความเจ็บความปวดเรารู้สึกเร็วขึ้นไวขึ้นรู้ทันขึ้นเมื่อความรู้สึกตัวมันตื่นตรงนี้เราเราก็เข้าใจแล้วว่าที่หลวงพ่อบอกว่าความรู้สึกตัวเนี่ยนะแต่ก่อนหลวงพ่อจะใช้คำว่าฮู้เมื่อเย่ยเป็นภาษาอีสานนะ ก็คือรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็ตื่นตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มเข้าไปสู่ของความละเอียดอ่อนในเรื่องของความรู้สึกในตัวเราความสุขความทุกข์ความร้อนความเย็นหรือแม้แต่ความคิดแต่ก่อนความคิดเราก็เห็นเหมือนกันแต่มันกระโดดไปกระโดดมาแล้วแต่ก่อนความคิดเนี่ยพอมันคิดเรื่องนึงก็ยาวไปหลายๆเรื่อง เรื่องเดียวเนี่ยแต่มันต่อเนื่องกันเป็นเช่นเราคิดถึงเรื่องบ้านมันก็จะมีเรื่องบ้านเรื่องพ่อเรื่องเรื่องแม่เรื่องพี่เรื่องน้องไปต่อเนื่องกันอันนี้คือมันไม่ทันความคิดแต่พอเราความรู้สึกตัวเราชัดเนี่ยพอมันคิดแต่ก่อนนี้เราจะคิดสิบเรื่องเราไม่รู้ทันเลยแต่พอเรารู้ทันเนี่ยพอคิดสิบเรื่องมันรู้ทันหนึ่งเรื่องเหลือเก้าเรื่องที่เราไม่รู้พอเราทาไปเรื่อยๆทาความรู้สึกตัวเคลื่อนไหว พยายามใส่ความรู้สึกตัวเข้าไปบ่อยๆตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้ความคิดของเราเนี่ยสั้นลงก็รู้ทันนะในช่วงที่เราบวชเนี่ยเราก็ได้มีเวลาปฏิบัติเต็มที่แล้วก็มีสิ่งที่เราได้พบเนี่ยเป็นสิ่งที่เราโอ้มันอัศจรรย์มากแต่แต่ตัวเราเองก็ประมาทเราประมาทเราคิดว่าเรารู้หมดแล้วเราคิดว่าเราเราถึงที่สุดแล้ว นะตอนนั้นก็คิดว่าเราน่าจะาไปใช้ในชีวิตคาราวะาได้นะก็ตอนนั้นทรับราชการแล้วก็ก็ศึกออกไปก็ไปทำงานคิดว่าจะเอาเรื่องของสติเนี่ยไปใช้กับชีวิตประจำวันแล้วก็จะมีโอกาสก็จะแบ่งปันคนที่รู้จักด้วยว่าลูกศิษย์ลูกหานะตอนนั้นก็ก็รู้สึกดีใจดีใจที่ได้ได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้นะแต่ก็ ก็ยังไม่ถึงที่สุดจริงๆมารู้ทีหลังนะตอนนั้นเราหลงไปหลงไปคิดว่าเราถึงที่สุดแล้ว อ, อ, อย่างไรก็ตามเมื่อเราได้ไปทํางา น, นเราก็พยายามที่จะมีความรู้สึกตัวกั บ, ก, บกับสิ่งที่เราทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียนหนังสือการสอนการพูดการคุยการทํางานทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็มีความรับผิดชอบของเราเต็มที่ แล้วก็งานเนี่ยมีประสิทธิภาพคือถ้าเรามีสติดีเนี่ยงานเนี่ยจะผิดพลาดน้อยแลวกเ็เราเราเราจะรู้จักการผ่อนคลายตัวเราเองเมื่อมันเครียดมันอึดอัดขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้จักการผ่อนคลายเพราะตัวสติเนี่ยจะช่วยคลี่คลายเป็นตัวปรับสมดุลให้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะช่วยปรับสมดุลให้ตรงนั้นก็ก็รู้สึกว่าเป็นความสุขที่เรามี ทำงานได้เงินมาเราไม่ต้องไปวิ่งหาความสุขเพราะความสุขมันมีเราเงินที่เหลือเนี่ยไปทำประโยชน์นะไปทำกิจกรรมส่งเสริมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมชักชวนลูกสิธิ์หรือว่าเพื่อนไปปฏิบัตินะอันนั้นก็เป็นเป็นประโยชน์ที่ได้รับแต่ก็ยอมรับนะครับว่าเนื่องจากสติเรายังไม่สมบูรณ์เนี่ยก็มีหลงมีลืมมีพังพลาดอยู่บ้างแต่เราก็ไม่ทิ้ง นะเมื่อมีเวลาว่างปิดเทอมมีเวลาหยุด3วัน5วันเนี่ยเราก็จะมาคูบาอาจารย์โนะดยเฉพาะตอนก็ไปวัดสนามในบ้างมาวัดโมกบ้างมาป่าสุกโตบ้างนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่ไม่ทิ้งแล้วก็ได้ได้ใช้ได้ประพฤติปฏิบัติในใจก็คิดว่าจะทำงานสักระยะหนึ่งเก็บออมเงินไว้สักระยะหนึ่งพอมีบนานาญเราก็คิดว่าอยากจะมาใช้ชีวิต ในบ้านปายเป็นเป็นพระอีกครั้งหนึ่งอันนั้นก็วางแผนไว้ในใจนะเพราะพอะเริ่มมารู้ทีหลังว่าโอ้จริงๆเราประมาทเพศเพศนักบวชเนี่ยเป็นเพศที่จะได้มีโอกาสศึกษาเรื่องพวกนี้อย่างเต็มที่นะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเราเป็นคราวาสแล้วเราจะเรียนรู้ไม่ได้เราเรียนรู้ได้นะเพียงแต่ว่าอาจจะมีภาระมีเรื่องที่จะต้องมาดึงให้เราไปสนใจมากนั่นเอง นะนี่ก็เป็นสิ่งที่ที่ที่เป็นประสบการณ์ที่ได้ประสบพบเห็นและการได้มาบวชครั้งนี้เนี่ยก็ได้ได้รับการเาชักชวนจากท่านจันทรงศิลเนี่ยอยู่บ่อยๆแล้วก็พบท่านาครั้งแรกที่ท่านจะมาบวชเนี่ยหน้าตาท่านาไม่ไม่สดใส น, นะแต่แต่พอท่านบวชแล้วหน้าตาท่านสดใส น, นะเราก็เฮ้มันต้องมีอะไรดีนะแล้วท่านก็ชวนมานะแล้วโดยเฉพาะ กับดลงพ่อคำเขียนเนี่ยเราได้สัมผัสกับท่านเนี่ยเย็นนะท่านเย็นอันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวเราเองปฏิบัติไปแล้วเราไปใช้นชีิิตประจําวันแล้วมันเย็นบ้างร้อนบ้างนะมันไม่เย็นนะเราก็เลยคิดว่าเอาละเราทํางานมาให้กับโลกกับสังคมมาพอสมควรนะก็คือเรื่องของออหน้าที่การงานในหมหาวิทยาลัยที่เรารับผิดชอบก็30กว่าปี ก็พอสมควรมีบำนาญที่ที่เราไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องพวกนี้นะก็เลยถือโอกาสที่จะลาออ ก, นะกเกษียณตัวเองแล้วก็อยากจะมาศึกษาเรื่องพวกนี้ให้มันให้มันถึงที่สุดแล้วก็มีความเชื่อนะเชื่อว่ามันมีสิ่งที่หลวงพ่อเทียนเคยพูดเคยท้าทายไว้เนี่ยมันมีจริงๆแต่ก่อนเรายังประมาณเรายังไม่เชื่อว่าไม่มีหรืออาจจะมีก็ไม่ถึงกับเต็มที่ เต็มร้อยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ได้ตัดสินใจแล้วก็อยากจะมาพิสูจน์เรื่องพวกนี้เมื่อมาอยู่ที่วัดป่าสุก โ, โตเนี่ยก็ได้พบสภาพแวดล้อมที่เอื้อมนวยป่าเขาที่เงียบสงบครูบาอาจารย์มีเมตตาเพื่อนเพื่อนสาธมิกเพื่อนพระด้วยกันก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนในเรื่องพวกนี้ ให้โอกาสกับพวกเราให้ให้โอกาสตัวธรมาารือตัวกับผมเนี่ยได้ได้มีเวลาที่จะศึกษาเรื่องพวกนี้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ก็รู้สึกว่าคุ้มค่าแล้วก็ตัดสินใจไม่ผิดนะที่มาตรงนี้แล้วในระยะ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ได้เรียนรู้ความผิดพลาดของเราอยู่บ่อย ก็ยอมรับว่าตอนนี้ก็ยังเดินทางอยู่นะแต่ก็มีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็ค่อยดำเนินไปเรื่อยๆนะในระหว่างการฝึกเนี่ยก็มีมีหลงบ้างมีลืมบ้างก็ยังไม่ถึงเต็มร้อยแต่ก็มีความเชื่อและยังเชื่อว่าพุทธเจ้าเนี่ยมีจริงแต่ก่อนเราก็ไม่ได้เชื่อจริงๆอย่างจังก็เราเชื่อเชื่อเชื่อตามที่พ่อแม่บอกโรงเรียนสอน เป็นเรื่องที่พูดพูดเกือยต่อกันมาแต่เราเชื่อว่ามีจริงแล้วก็ธรรมะของพระเจ้าเนี่ยสามารถที่จะทําให้เราพ้นทุกได้จริงอันนี้ก็มีความเชื่อจริงๆแล้วครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนท่านก็พูดจากประสบาการณ์ที่ท่านประสบจริงๆแล้วเราเอามาประพฤติปฏิบัติมันก็เกิดอย่างนั้นจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะเชิญชวนพวกเรามาร่วมกันพิสูจน์ความจริง ที่เจ้า ช, ชายศิตตะเนี่ยได้ค้นพบเมื่อ 2,600 ปีที่แล้วขณะที่ท่านมีอายุประมาณ35ปีแล้วก็ได้เผยแพร่ต่อมาก45ปีปีนี้ปี 2,555 รวมกันแล้วก็เป็น 2,600 ปีนะซึ่งสิ่งนี้ยังมีอยู่กลิ่นอายนี้ยังมีอยู่แล้วโชคดีมากๆที่พวกเราได้มาอยู่ที่นี่นะที่มีครูบาอาจารย์หลายรูปนะที่ท่านได้ ใช้ชีวิตพิสูจน์ทดลองนะโดยเฉพาะหลวงพ่อคาเขียนเนี่ยท่านท่านพิสูจน์ทดลองมาแล้วเกิดผลแล้วแล้วท่านก็มาพูดด้วยภาษาไทยที่เราฟังได้เข้าใจได้นะคนจีนคนญี่ปุ่นมาต้องพยายามเรียนภาษาไทยแต่เราเป็นคนไทยอ่ะเราฟังน่าจะได้เปรียบคนต่างประเทศเข้าอุตษาข้ามน้ำข้ามทะเลมา อันนี้เป็นสิ่งที่ที่น่าเสียดายมากถ้าเราไม่ไม่รีบมา เ, เรียนรู้เรื่องพวกนี้นะโดยเฉพาะน้องๆเด็กๆเนี่ยนะเออตอมาหรือว่าผมคิดว่าถ้ามีโอกาสได้เรียนรู้พวกนี้ตั้งแต่เล็กๆเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเขาไปตลอดชีวิตนะ น, นี่เป็นสิ่งที่ที่สำคัญมากแล้วเราจะได้สัมผัสกับความสุขที่มีอยู่ในตัวเราความสุขก็คือความปกติของใจ เราสังเกตไหมว่าเวลาเราอารมณ์ไม่ดีอารมณ์โกรธสุดท้ายมันจะกลับมาปกติอารมณ์อะไรก็แล้วแต่มันจะกลับมาปกติคนเราเนี่ยเวลาหิวเนี่ยกระหายเนี่ยมันต้องดื่มจะเป็นดื่มน้ำน้ำสีน้ำหวานน้ำอะไรก็ตา ม, มจะมาจบที่น้ำน้จืดน้ำจื ด, น, จดน้ำดื่มธรรมดาเนี่ยแต่รสชาติเนี่ยมันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ นะรสชาติคือความเป็นปกติของใจเนะี่ยมันเฉยๆแต่เฉยนี่ไม่ได้เฉยนิ่งๆนะเฉยแต่รู้รู้แล้วก็ตื่นตัวพร้อมที่จะทำงานพร้อมที่จะทำอะไรก็ได้เพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งวิเศษสูงสุดที่มีอยู่ในตัวเราแต่เราหลงลืมเราเราคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเป็นเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไปเราก็เลยไม่ได้สนใจเราก็ไปหาแสงสี ไปวิ่งหาความสนุกสนานไปหาสิ่งเหล่านั้นซึ่งซึ่งมันมันมันก็แปรเปลี่ยนได้แต่ความเป็นปกตินี่มันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วแต่ว่าเราจะเข้าไปตรงนั้นได้เนี่ยมันต้องมีกุญแจก็คือความรู้สึกตัวเนี่ยไขยเข้าไปสู่ตัวนั้นทีนี้ในการฝึกแรกๆเนี่ยเราก็จะต้องผ่านด่านต่างๆที่เราเคยชินจะเป็นความง่วงความฟุ้งซ่าน ความเบื่อหน่ายอันนี้มันเป็นประตูที่กั้นให้เราไม่เข้าไปพบกับความเป็นปกติของใจเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราฝึกเราต้องผ่านด่านพวกนี้ให้ได้อย่าไปยอมแพ้ตัวกระผมเลียตามาเองได้ฝึกมาเนี่ยก็เจอแบบนี้บางทีมันโงกมันง่วงมันฟุ้งซ่านมันเบื่อหน่ายนะทำไมเรามาทำธรมาที่มันน่าจะสงบมันน่าจะนิ่งแต่มาทำวิธีนี้โอ้โหมันฟุ้งใหญ่เลยเพราะเราเคยชินกับที่เคยคิด ในชีวิตเราเราคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นทีนี้มาให้จับมันนิ่งๆเนี่ยมันก็คิดนะดิแต่มันโชคดีที่ว่าเรามีเครื่องมือที่จะทันความคิดนั่นคือความรู้สึกตัวอันนี้เป็นสิ่งที่หลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านได้พบแล้วก็นํามาเผยแพร่ในยุคปัจจุบันนี้ก็เป็นการสืบต่อสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสรู้นะก็คือสติปัฏฐานสี่นั่นเองเพียงแต่ว่าเอามาใช้เหมาะกันในยุคปัจจุบันที่ เราไม่มีเวลาที่จะไปนั่งนิ่งๆถ้าเป็นสมัยก่อนสังคมเกษตรเนี่ยเราไม่ต้องไปทําอะไรมากเราก็นั่งนิ่งๆได้แต่ปัจจุบันนี้ชีวิตเราต้องทํานู่นทนํานี่ต้องเดินเหินต้องติดต่อนู่นนี่ถ้าเราจเจริญสตินี้เล่าไปใช้ได้เลยกับชีวิตประจําวันซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวกับผมเรื่องทาไมเองก็ได้เอาไปใช้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ได้ได้พบแล้วก็ได้เอาไปใช้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ที่อยากจะฝากเอาไว้ ให้พวกเราได้พิจารณาให้พวกเราได้ลองพิสูจน์สิ่งที่ตัวกระผมด้วยอาตมาได้พูดไปถ้ามีอะไรผิดพลาดก็อยากจะขอความการุณาจากครูบาอาจารย์ได้ได้เตือนได้บอกได้แนะอาตมาเองหรือตัวผมเองก็กาลังเดินทางอยู่ก็ยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่ายังไม่ถึงที่สุดนะแต่ก็พยายามมีความเพียรพยายามอยู่แล้วก็อยากจะชิกชวนพวกเราเนี่ยมาค้นหา ความเป็นปกติที่มีอยู่แล้วในตัวเราเป็นเป็นความสุขที่มีอยู่ในตัวเราแล้วครูบาอาจารย์พ่อแม่ได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันอย่าอย่าทิ้งไปให้มันเสียดายของนะมีเวลาสองวันสามวันก็ให้ตั้งใจนะครับในการประพฤติปฏิบัตินะน้องๆที่มาเนี่ยก็พรุ่งนี้จะกลับแล้วก็ไม่เป็นไรนะพยายามนะเดี๋ยวจะได้พบกับสิ่งที่ เป็นประโยชน์กับตัวเราเองมากและจะทำให้เรามีความสุขความสุขแบบนี้ไม่ต้องเสียสตังค์ด้วยและเป็นความสุขที่ที่มีคุณค่ามากนะก็อยากจะชักชวนพวกเรานะได้มาร่วมกันเรียนรู้เรื่องพวกนี้เอ่อก็คิดว่าสุดท้ายนี้ก็อยากจะขออ้างอิงเอาคุณของพระีเอ่อของพระรัตนตรยัยแล้วก็ ครูบาอาจารย์ทั้งหลายรวมทั้งความภาคเพียรพยายามของพวกเราทุกคนนะครับที่ได้มาร่วมกันใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้วก็ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ได้ประสบพบเห็นกับความเป็นปกติของใจแล้วก็ได้ประสบพบเห็นกับความสุขที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกๆคน เจตนาคือคนใหม่ๆแล้วพระบทใหม่ๆนะแต่ว่าเคยมีประสบการณ์เก่าๆก็ลองถ่ายทอดภาษากันนะก็ไม่ถูกไม่ผิดนะสิ่งที่ได้ยินรู้บ้างไม่รู้บ้างไม่เป็นไรนะสิ่งที่พูดไปก็เมือนกันมันเป็นสภาวะนะที่คําพูดกาการบางทีเราพูดตรงแต่คนฟังก็ยังแปลผิดไปมันก็ได้เหมือนกันนะมันก็เลยไม่ถูกไม่ผิด อะไรที่ฟังเข้าใจก็เข้าใจอะไรไม่เข้าใจมันก็ผ่านไปก่อนอันนี้เป็นเรื่องของที่มว่อวานท่านหูควางได้พูดเอาไว้ว่าเป็นการสอบอารมณ์ถ้าฟังแล้วใจฟูมันก็ผิดปกติถ้าฟังวใจเหี่ยวแฟมันก็ผิดปกติก็ต้องกลับมาหาตัวรู้สึกรู้สึกให้ทันทำยังรู้สึกไม่ทันแนอารมณ์ยังไม่ทันในการปรุงแต่งในความคิดการมารู้ทัน การเคลื่อนกันกไหวไหวนะนะ้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมก็คือการฟังกายที่เป็นธรรมากายกายธรรมมันแสดงธรรมรูปธรรมต่างๆทิมแสดงออกมาแสดงธรรมอย่างเสียงมากระทบอย่างนี้นนะอีกอันก็คือฟังเสียงธรรมทิมเกิดในตัวเองนะ่ะที่สำคัญนะการคิดกันแลนะการปรุงกันแต่งต่าง ๆ, ๆนะ กระจึงเป็นเรื่องของประสบการณ์ร่วมกันเราเห็นว่าสม ค, คไไวรแก้ปัลหาเราการปะพร้อมกัน